Mm hmm. โดยสังเกตไหมต้นไม้เวลาต้นไม้ที่จะแทงยอดสูงใหญ่ได้เนี่ยจะต้องมีรากที่ย่างลึกลงไปในดินยิ่งสูงเท่าไหร่รากก็ยิ่งลึกอันนี้ก็ทํทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถจะต้านทานนะกับแรงลมพายุฝนได้ ยิ่งสูงแทงขึ้นไปในอากาศก็ยิ่งมีรากจั่งลึกลงไปในดินมากเท่านั้นเวลายิงธนูยิ่งอยากจะให้ธนูแล่นไปข้างหน้ามากเท่าไหร่นเนี่ยก็ต้องโน้มสายดึงสายเข้าหาตัวยิ่งดึงมาข้างหลังมากเท่าไหร่นเนี่ยธนูมันก็จะมีกําลังแล่นไปข้างหน้าได้เร็วอยากไปข้างหน้าก็ต้อง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 นะเพื่อจะเด่นกว่าต้นอื่นแต่ว่าเราเคยมาสำรวจดูรากของตัวหรือเปล่าว่าไอ้รากของเรามันยั่งลึกลงไปในใจแค่ไหนนะมีคนจำนวนมากที่เปรียบเส ม, มือนกับต้นไม้ใหญ่สูงนะมีการงานมีภาระมากมายแต่ว่าไอ้รากหรือฐานภายในเนี่ยมันตื้น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 วัดหนึ่งวัดนั้นนี่เขามีมีทูบที่สูงที่สุดในโลกนะเขาคุยคุยโมบ้าเนี่ยเขามีทูกยักษ์ที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่นครปฐมแล้วก็มีวันหนึ่งก็เกิดพายุพัดลงมาพัดกระหน่มจนกระทั่งไอ้ทูกยักษ์นี่มันก็พังคลือลงมาแล้วก็ทำให้คนตายกลายเป็นข่าวขึ้นนาหนึ่งทั่วประเทศผลก็บอกกันว่านี่เป็นเพราะ ทูบมันสูงไปจริงจริงมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ได้กระสูงเท่าไหร่นะก็ 30- ม0เมตรตึกที่สูงวันนี้มีเยอะแต่ที่มันพังคลืนมาจริงๆและเป็นเพราะว่ามันฐานมันไม่ลึกต่างหากถ้าฐานมันลึกลงไปแล้วนี่ก็คงจะไม่พังคลืนมาง่ายง่ายนั้นสิ่งที่เป็นฐานข้างในเนี่ยสำคัญพวกเราถ้าเป็นต้นไม้มี ก็อย่าลืมรากที่อยู่ข้างในไอ้สิ่งนี้มีความสำคัญมากต้นไม้ที่มีรากอย่างเลยแล้วก็แผ่กว้างออกไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นฐานให้ต้นไม้นี้สามารถจะแผ่กิ่งก้านแล้วก็แทงยอดสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆในตอนน้ทำนองเดียวกันเวลาเราต้องการความเจริญก้าวหน้าเรานึกถึงภาพธนูที่มันพร้อมจะวิ่งนะ ไปให้ไกลที่สุดแต่ถ้าเกิดไม่น้าวสายให้มาชิดตัวหรือว่าดึงสายให้มันพร้อมไปข้างหลังมากๆนี่มันก็ไม่มีทางที่จะเล่นไปด้วยกำลังที่แรงได้ต้นไม้ก็ดีหรือว่าธนูก็ดีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะร่วมกันอย่างนี้คือว่าการที่จะต้องน้าวเข้ามาหาตัวหรือว่าย่างลึกลงไป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 เรื่องชีวิตด้านในเราต้องการสแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่ว่าละเลยทรัพย์ภายในชื่อเสียงกิตติยศเงินทองพวกนี้นี่มันทำให้เราดูโดดเด่นแต่ว่าถ้าข้างในมันไม่มีฐานใจที่อย่างลึกลงไปแล้วนี่ก็คลอนคล้ยได้ไ ง, ไดไ ง, ง่าย ไม่ต้องถึงกับเจอพายุเจออุปสรรคอะไรก็ได้เพียงแค่เจอลมปากเจอแค่ลมปากของคนนี่ก็สั่นไหวแล้วอย่างนี้พวกเรานี่พอเจอลมปากเข้าไปนี้ก็เทือนเลยอันนี้เพราะใจมันไม่มีรากหรือฐานที่ลึกพอเราไปให้ความสําคัญกับความสําเร็จภายนอกมา ก, มากจนละลืมจนละเลยนะเรื่องของ การทำงานภายในถ้าเกิดว่าเราทำให้งานภายในหรือว่าชีวิตด้านในของเรามั่นคงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรข้างหน้าก็จะทำให้สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้อย่างราบรื่นนะหรือว่าด้วยใจที่มัน่นคงมนุษย์เรานี่ก็มีธรรมชาตินะที่สนใจ สิ่งภายนอกเรามักจะให้ความสำคัญกับโลกภายนอกมากกว่าโลกภายในหรือชีวิตด้านในอันนี้ จ, จะเป็นเพราะธรรมชาตินี่ให้ให้เครื่องมือรับรู้โลกภายนอกมาถึง5อย่างนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี้เนี่ยมีไว้เพื่อที่จะรับรู้โลกภายนอกตาก็เอาไว้เห็นรูปหูเอาไว้ได้ยินเสียง จมูกไว้รับรู้กลิ่นลิ้นรับรสกายก็รับสัมผัสทั้งหมดนี้นี่ก็ช่วยทำให้เราสามารถจะเอาชนะโลกภายนอกได้มนุษย์เราไม่มีกำลังวังชาอะไรมากแต่เราก็อาศัยไอ้ตนะนี่แหละทั้งห้าแล้วก็ที่สำคัญคือว่าสติปัญญาในการที่จะไปจัดการกรับโลกภายนอก แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะมองข้ามชีวิตด้านในความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ภายในอันนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเรามีใจที่สามารถจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกภายในได้ไอตระหน้าอย่างนี้เอาไว้รับรู้โลกภายนอกแต่ว่าอีกอย่างนึงนี้เอาไว้รับรู้โลกภายใน5ตอนหนึ่งนะ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 หรืออย่า ง, ย, า ง, ย, างยั่งยืนแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราเกิดความทุกข์ให้ความทุกขงคนเราจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มาจากไหนไม่ตัวการสำคัญก็คือความทุกข์ภายในแต่เพราะเราเนี่ยไม่ค่อยได้หันมาดูหรือรู้เท่าทันโลกภายในของเราพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีอะไรมากระทบเราก็ มักจะไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษดินฟ้าอากาศไปโทษผู้คนไปโทษหน่วยงานหรือบางทีก็ไปกลดาชะตากรรมอะไรก็ไม่รู้ละนะที่มันทำให้เราเป็นอย่างนี้ที่มันทำให้เราทุกข์เราสามารถจะชี้นิ้วออกไปได้รอบตัวแต่เรา ลืมมองมาที่ใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นปัญหามันเป็นตัวกาหรือเปล่าสิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดมันไม่ใช่อะไรอื่นเลยนะแต่ก็คือใจของเรานี่แหละใจที่เราเขินห่างแปลกแยกอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนี้ซึ่งที่จริง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 ที่เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีความสามารถที่จะทำลายตัวเองได้สามารถที่จะฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุร้อยแปดันเซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยธรรมดาคนเราเจ็บปวดมากแค่ไหนเนี่ยคิดจะทำลายตัวเองนี้มีน้อยหรือคิดจะฆ่าตัวตายก็มีน้อยส่วนใหญ่ก็เพาะ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 เปลิดชีวิตตัวเองได้ไม่มีใครมาทำให้แต่เป็นเพราะใจที่เราปล่อยประละเลยจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งหมักหมมเน่าเฟะพระเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายเราได้มากกว่าใจที่วางไว้ผิดแต่ในทางตรงข้ามก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เรามีความสุข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 H1N1 อันนั้นไม่ใช่ตัวการที่ทำให้คนตายนะแต่เป็นพะัะภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเวลาเขาผ่าศพดูคนที่ตายเพราะวัดนกหรือว่าพวกซาเนี่ยปอดนี่ถูกทำลายยับเยินเหลวและเป็นวุ้นเลยเลือดเต็มปอดไอปอดถูกทำร้ายนี่ไม่ใช่เพราะว่าไวรัสนะแต่เป็นเพราะ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 มันไม่เคยเติมก็ตื่นตกใจเหมือนกับมีโจรจับเด็กไปเรียกค่าไถ่แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านทหารก็ตื่นตกใจกลัวทั้งกลัวทั้งโกรธก็มุ่งมั่นจะเล่นงานไอโจรเรียกค่าไถ่ยนอย่างเดียวก็ออกปืนเข้าไปยิงถลม่มเอาระเบิดหรือว่าเอา m 7 9ยิงเข้าไปหมายจะฆ่า จนให้ตายแต่ปรากฏว่านอกจากบ้านจะพังยับเยินแล้วเด็กก็ตายไปด้วยนี่เป็นเพราะภูมิคุ้มกันที่มันตื่นตกใจมากมันก็ทำให้ร่างกายของตัวเองพังพินาศไปด้วยก็ถึงตายได้ใจที่มันตื่นตกใจใจที่มันว้าวุ่นสับสนนี่มันก็ทำลายเจ้าของได้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักที่จะ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 จนลืมไปว่าไอความโกรธที่เราสูมขึ้นมาไว้ในใจนี่แหละมันกำลังทำร้ายเราและทำให้เราทำอะไรที่เป็นโทวกับตัวเองเพราะความลืมตัวให้เราสังเกตดูนะเวลาเราโกรธใครเนี่ยนะเราก็อยากจะทำร้ายเขาใจแล้วก็นึกอยากจะด่าใจก็แช่งชักหักกระดูกแต่เราเคยสังเกตรหรือเปล่านะว่า ไอ้ความโกรธไอ้ความอยากที่จะเล่นงานเขาเนี่ยอย่างแรกเลยที่มันทําร้ายก็คือใจของเราทําให้เราเสียผู้เสียคนไปเวลาเราอยากจะเล่นงานใครเนี่ยเราลืมไปว่าเรากําลังเล่นงานตัวเองเรากําลังทําร้ายตัวเองเพราะเราเอาแต่มองไปข้างนอกจนลืมมองข้างในถ้าเรามุ่งแต่มองแต่ข้างนอกนี่จนลืมข้างในเนี่ยไอ้ข้างในนี่แหละ จะถูกอารมณ์ถูกจิตใจที่ที่เกเรเป็นอนันตพาลเนี่ยมันทำร้ายเราได้จริงๆไม่ใช่ความโกรธอย่างเดียวนะให้ความเศร้าความเบื่อความเกลียดหรือแม้แต่ความอยากมันก็สามารถจะเล่น ง, งานเราได้ตลอดเวลาพออยากได้อะไรเนี่ยเพียงแค่เกิดความอยากเท่านั้นแหละมันก็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 มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทำร้ายใจของเราได้เราคิดว่าคนอื่นนั่นแหละที่ทําให้เราทุกข์แต่เป็นเพราะเราลืมมองเข้ามาข้างในเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ใจที่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆครอบงํำนั่นแหละที่มันเป็นตัวแผดเผาแล้วก็ทิ่มแทงใจเราเม่าคนอื่นเวลาใครว่าเราเวลาใครตําหนิเราเราก็คิดแต่จะเล่นงานคิดแต่อย่ตอบโต้เขาแต่เรา ไม่ดูใจของเราว่าไอ้ใจที่คิดจะตอบโต้นั่นแหละที่มันทำให้เร า, าทุกข์และจริงๆมันไม่ได้แค่คิดจะตอบโต้อย่างเดียวมันเกิดขึ้นมาจากการที่เอาย้อนคิดย้อนนึกถึงคำพูดของคนคนนั้นมาทีเขาก็พูดไปแล้วว่าไปแล้วนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะแต่ก็ยังเก็บเอามาคิดใจที่ไปมีอุ ป, ปาทานไปยึดคาพูดเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็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 คำพูดเอาการกระทำเนี่ยมามาย้ำคิดนะมันก็ยิ่งทิมแทงและพอเกิดความกลัวความไม่พอใจขึ้นมาก็ยังไม่รู้ทันอีกคิดอยากจะไปเล่นงานเขาบางทีเล่นงานเขาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราทำอะไรที่มันไม่เข้าท่าออกไปแล้วเราลืมตัวต้องหลายขั้นตอนนะตั้งแต่ตอนที่เอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาคิดไปจมอยู่กับอดีตแล้วก็อดีตเนี่ย ดึงขึ้นมาเหมือนกับผีตายซากก็ยังฟื้นขึ้นมาให้มันมาทิ่มแทงเราและพอเกิดอารมณ์ <_ d> um> เกิดความไม่พอใจขึ้นก็ไม่รู้ทันและพอคิดแต่จะเล่นงานเขายิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งถึงท่านที่ระเบิดออกมาทําอะไรที่ไม่สมควรก็ยังไม่รู้ทันเรียกว่าลืมตัวเอย่างคนที่เขียนป้ายบนกําแพงเนี่ยนเขียนชัดๆตัวใหญ่ๆก็ยังไม่รู้ว่ากําลังด่าใคร อันนี้แรียกว่าลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรใครมาทําให้ลืมตัวเป็นเพราะใจของเราตั้งหา่างดัั้นใจที่มันวางไว้วางไว้ผิดเนี่ยนมันก็ทําให้เราทําร้ายตัวเองได้ถ้เราเคยได้ยินใช่ไหมเรื่องของลิงที่มันเกลียดกระปิมากแล้วบางทีก็มีคนมาแกล้งมันอย่างที่วัดเนี่ยนะบางทีก็มีมันชอบขโมยชอบกินพวกของ บางทีก็มีคนโยนข้าวเหนียวให้มันมันก็ชอบทีแรกก็น่ารักดีนะเห็นมันมาก็โยนข้าวเหนียวให้แต่พอมันได้ข้าวเหนียวแล้วก็ชอบก็จะคราวนี้ก็จะมาตามตื้อแล้วคราวนี้พอไม่ได้ก็จะค้นเจอก็เจินค้นก็ไปถึงครัวเปิดประตูครัวได้วิธีหนึ่งที่จัดการมันคือเอากะปิยัดไส้ยัดไส้ข้าวเหนียวพอมันกินข้าวเหนียวเข้าไปมือมันก็ไปติดกะปิพอมือมัน ติกะปียังไงมันเหม็นมันไม่ชอบมันก็พยายามที่จะกําจัดกระปีออกไปมันไม่รู้จักใช้ผ้าใช้อะไรมันก็ใช้มือเนี่ยขูดกับหินขูดกับเปลือกไม้ขูดเสร็จก็เอามาดมนะมันไม่ชอบกะปีนะแต่มันอดดมไม่ได้ก็เหมือนเราอะถ้ามือเราไปถูกกระปีมือเราไปถูกขี้หมาเนี่ยเราก็พอลากเสร็จแล้วก็ต้องเอามือมาดมมันเหม็นไม่ชอบแต่เราก็อดเอามาดมไม่ได้ดมเสร็จ เหม็นก็ล้างใหม่ล้างมาเสร็จเอามาดมอีกลิงก็เหมือนกันก็ทําอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้จะไปจะไปว่ามันเพราะเราก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันมันก็จอามือขูดขูดขูดขูดขูดขูดขูดแล้วก็ดมดมแล้วก็ขูดใหม่จนกระทั่งเลือดออกไหลซิปๆมันก็ยังไม่เลิกนะถ้ายังมีกลิ่นกระปิอยู่ถามว่ากระปินี่ทําให้มันเลือดไหลป่ะทําให้มันเป็นแผลหรือป่าะปติไม่ทําให้มันเป็นแผลนะแต่ที่มันมีแผลเนี่ย ก็เพราะความเกลียดกะปิใจที่เกลียดกะปินี่แหละที่ทำให้มันลืมตัวมันอยากจะกำจัดกะปิออกไปแต่สุดท้ายมันทำร้ายตัวเองคนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคำพูดที่เราไม่ชอบคำพูดบางอย่างก็เป็นคำพูดธรรมดาแต่เราเก็บคามาคิดบางทีเขาก็ไม่ได้ด่าว่าแล้วกาบอกเพียงแต่ว่าเราไม่มีสติ พอไม่มีสติท่านโอ้โหเก็บมามาคิดเลยสมัยก่อนบวชใหม่ๆอยู่วัดสนามในก็ฉันจานกะละมังฉันแล้วเนี่ยเราก็ฉันไม่ก็มีผ้าไหมหลายรูปพอฉันแล้วฉันไม่เป็นเสียงก็ดังเสียงช้อนกระทบกะละมังนะก็มีผ้าที่เป็นผ้าพี่เลี้ยงท่านก็บอกว่าอย่าฉันเสียงดังนะฉันให้มีสติหน่อยท่านก็พูดไปเลอยๆแต่เราเก็บมาคิดแล้วว่า ท่านว่าเราท่านว่าเราเราก็เก็บเอามาคิดทั้งที่ท่านไม่ได้เจาะจงนะที่จะว่าใครแล้วก็เป็นการพูดธรมดธรมดาธรรมดาแต่เราเก็บเอามาคิดแล้วนะว่าเขาเจาะจงว่าเรานี่หูหาเรื่องเป็นพ่ อ, อะหลเพาะใจที่มันชอบปรุงแต่งแล้วก็เอามาเอามาปรุงจงกระทั่งเกิดความไม่พอใจรู้สึกอคติต่อพระพี่เลี้ยงท่านนั้น นี่ไปกันใหญ่เลยนี่เพราะเราลืมดูใจของเราแต่ถ้าเราเวลาเกิดอะไรมากระทบกับเราแม้่จะเป็นสิ่งภายนอกมากระทบกับเราสิ่งนี้สำคัญคือเราต้องมาดูใจของเราด้วยก่อนที่เราจะไปจัดการกับสิ่งภายนอกที่มาทําให้เราไม่พอใจที่ทําให้เราทุกข์ต้องไม่ลืมดูใจของเราถ้าเราลืมไปเนี่ยเราก็อาจจะเผลอทําในสิ่งที่ไม่สมควรหรืออย่างในน้อยเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ อ, อารมณ์ ที่เป็นอกุศลเนี่ยเผาหลน่นหรือทิ่มแทงจิตใจของเราได้ต้องฉลาดนะฉลาดในการดูใจของเราด้วยต้องถือหลักไว้เลยว่ามองนอกเนี่ยอย่าลืมในธรรมชาติของเราเนี่ยมองนอกอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็จำเป็นต้องมองข้างนอกเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นทั้งนอกมันไม่ดีก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าอย่าไป เพ่งแต่ข้างนอกนะจนลืมในถ้าเราลืมในแล้ว เ, เราก็ทุกถ้าเราฉลาดในการที่จะทําให้มันสมดุลคือว่ามองนอกแล้วก็เราก็ไม่ลืมในด้วยเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงเราก็จะไม่ทําตัวให้เป็นปัญหาได้เคยไปอภิปรายร่วมกับหลวงพ่อพยอมก็มีตอนหนึ่งท่านก็เล่าท่านก็ลอยฟังว่าท่านได้ไปดูหนังสารคดีรายการหนึ่งท่านประทับใจมาก รายการเนี่ยตมาก็เคยดูแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ดูเป็นรายการของทีวีไทยเรื่องพลเมืองเด็กแล้วก็เอาเด็กหลายๆคนมาทำกิจกรรมแล้วก็ถ่ายคล้ายๆเป็นเรียลลิตี้โชว์คราวนั้นก็เอาเด็ก3มคนมาทำกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือขนของขึ้นรถไฟที่จริงทำหลายอย่างแต่ว่ามีการขนของขึ้นรถไฟด้วยถ่าขนของขึ้นรถไฟเนี่ยมันก็ต้องเร่งทาเพราะรถไฟมีเวลาออกเพลินบ่ายวันนั้นเนี่ย สมจิตจงจอหอยนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเขาขึ้นชกมีการถ่ายทอดสดเด็กชายสองคนก็เลยทิ้งงานนะไปดูถ่ายทอดชกมวยก็ปล่อยให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอายุก็สิบสองสามอายุไล่ไกันคนของคนเดียวมันเหนื่อยเลยนะพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดยังไงนะที่เพื่อนเขาหนีไปดูโทรทัศน์ เด็กคนั้นก็ตอบดีเขาบอกว่าเออเขเห็นใจเขาเพราะว่านานๆเขาจะได้ดูเพื่อนหนูก็ไม่ชอบดูมวยมันก็ทําไปพิธีกรก็ถามใหญ่ต่อไปว่าไม่โกรธหรือไม่คิดจะไปด่าว่าเขาเหรอนะ่ะที่เขาทิ้งให้หนูทําคนเดียวอะ่ะเด็กเขาตอบดีนะก็ตอบว่าหนูขนของคึ้รถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะ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 แต่เหนื่อยใจหรือทุกข์ใจเพราะว่าใจมันบน่นใจมันโวยวายใจมันไม่พอใจนะเพื่อนบางทีเราก็ไม่พอใจเพื่อรวมงานบางทีเราก็ไม่พอใจเจ้านายเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะเหนื่อยสองอย่างแต่เด็กคนนี้เขาฉลาดเขารู้ว่าถ้าเขาโกรธเพื่อนเนี่ยมันก็ทำให้เขาทุกข์ก็เขาเหนื่อยอยู่แล้วขนของคืรถไฟแล้วทำไมจะหาทุกข์มาใส่ตัว ถ้าเด็ น, น, นี้เนี่ยเขาก็รู้นะว่าความโกรธเนี่ยมันทำร้ายใจของเราเป็นอย่างแรกแล้วเขาก็มีสติรู้ด้วยมีสติรู้ทันนะเวลาใจมันโกรธเนี่ยเห็นใจมันโกรธแล้วก็รู้เลยว่านี่กำลังกำลังทำร้ายตัวเองแล้วกําลังจะทําให้เหนื่อย2อย่างเขาก็วางความโกรธนะหรือจะเรียกว่าเขาตัดใจก็ได้เขาก็สามารถทํางานได้คนเราถ้าเราฉลาดเนี่ยฉลาดดูใจของเราเนี่ยถ้ามันจะเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างเดียวนะ ก็คือเหนื่อยเหนื่อยกายหรือถ้าจะเจ็บก็เจ็บอย่างเดียวนะคือเจ็บที่กายผู้เ จ, จ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยเมื่อเจอทุกขเวทนาก็จะเปรียบเสมือนเจอธนูสองดอกธนูดอกแรกนี่คือเกิดทุกขเวทนาทางกายธนูดอกที่สองเกิดทุกขเวทนาทางใจแต่ผู้ที่มีปัญญาแล้วนี่ก็โดนแค่ธนูดอกเดียวคือปวดกายแต่ไม่ปวดใจ เวลามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเราลองดูใจของเราดูแล้วถ้าเราฉลาดที่จะดูใจของเราแล้วเนี่ยถ้าจะขาดทุนก็แค่าขาดทุนอย่างเดียวเช่นเงินหายเออเงินหายก็หายแต่เงินนะแต่ใจไม่หายด้วยแต่ถ้าไม่ดูใจนะมันก็จะเศร้าเสียใจหรือเสียดายว่าทําไมเงินหายทําไมใครเอาเงินเราไปมันจะเฝ้าเสียดายเฝ้าเสียใจ ทงทังที่เงินหายไปแล้วเอาคืนไม่ได้อันนี้เราว่าทุกสองต่อนะคือทรัพย์ก็เสียไปแล้วก็ใจก็ยังเสียด้วยบางทีกินอาหารก็ไม่อร่อยนะกินอาหารก็ไม่อร่อยเพราะว่านึกเสียดายเงินที่เสียไปเงินที่หายไปอาหารอร่อยอยู่ตรงหน้าแล้วก็ยังไม่รู้สึกอร่อยกับอาหารที่กินเรียกว่าเสียโอกาสเสียโอกาสที่จะได้รับความสุขข้างหน้าหรือต่อหน้าแล้วก็ยัง นอกจากจะไม่ได้รับความสุขที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ยังยังมีความทุกข์อีกคือนอกจากไม่เป็นบวกแล้วยังติดลบอีกนะถ้าเป็นกลางๆงก็ยังดีแล้วคนเราเนี่ยทุกข์เพราะเหตุนี้มากเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นพราะมีเหตุการณ์มากระทบเหตุการมากระทบนี่ก็ทําให้ทุกข์หนึ่งหนึ่งแล้วแต่พอใจวางไว้ผิดมันก็เพิ่มอีกเป็นคูณสองคูณสามเวลามีคนตําหนิก็เหมือนกันนะตำหนิ มันก็เพียงแค่หลมปากปล่อยให้ผ่านเลยไปได้แต่พอใจเอามาคิดก็กลายเป็นทุกข์ลองดูเถอะนะเวลามีอะไรมากระทบเราเนี่ยหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเราให้ใจที่มันลืมดูดูข้างในเนี่ยก็ทำให้เรากลายเป็นไปเล่นงานคนอื่นหรือแม้แต่เพียงแค่คิดเท่านั้นเองทำอะไรก็ตามนะมีอะไรเกิดก็ตามอย่าทุกข์สองอย่างอย่าทุกข์สองต่อ เออถ้าตกงานมันก็ลำบากเรื่องงานการอยู่แล้วหรือว่าทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลงแต่ทำให้ความสุขในใจเราพร่องไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้ใจนี่มันพร่องหรือหนักขึ้นไปอีกนะคือเอาความทุกข์เข้ามาเติมเข้ามาใส่งั้นถ้าคนเรารู้จักดูใจของเราแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกอย่างเดียวแทนที่จะเป็นทุกสองอย่างนะ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 พอเราสามารถที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นเอองานมันเสียก็เป็นประโยชน์นะเป็นข้อดีเหมือนกันทำให้เรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงตัวเราอย่างไรหรือมันก็สอนใจเราว่าคนเรามันไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกอย่างมันก็ต้องมี ม, มีมีล้มเหลวบ้างถ้าเราคิดแบบนี้ น, นี่เราก็จะไม่ขาดทุนแลน้วคราวนี้เราได้กาไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามเนี่ยอย่ามัวแต่มองนอกนะ